ก็มบทแปลเรื่องที่หนึ่งรเจ็เรื่องภิกษุฉัพพชีภาคที่ห้าเรื่องที่หนึ่งของวรรคที่สิบท่านทวัควันน า, นาข้อความพื้งต้นพระศา ส, สดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปราบรภิกษุฉัพพชีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสับเบตสันติเป็นต้นตอน เฮรงบัญญัติประหารธานศิขาบทความพิสดารว่าในสมัยหนึ่งเมื่อเสนาสะนะอันภิกษุสตารสะพักคีซ่อมแซมแล้วภิกษุฉับพักคีกล่าวว่าพวกท่านจงออกไปพวกผมแก่กว่าเสนาสะนะนั่นถึงแก่พวกผมเมื่อภิกษุสตารสะพักคีเหล่านั้นพูดว่า พวกผมจักไม่ให้เพราะพวกผมซ่อมแซมไม้ก่อนท้งนี้แล้วจึงประหารภิกษุเหล่านั้นภิกษุสตตระสาพักคีถูกมรณะภัยคุกคามแล้วจึงร้องเสียงลั่นพระสัสดาทรงสะดับเสียงของภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสถามว่าอะไรกันนี่เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าเรื่องชื่อนี้ท้งนี้แล้ว ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจำเดิมแต่นี้ธรรมดาภิกษุไม่ควรทําอย่างนั้นภิกษุใดทำํำภิกษุนั้นย่อมต้องอาบัติชื่อนี้ตั้งนี้แล้วทรงบัญญัติปหาระทานสิกขาบทตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุรู้ว่าเราย่อมหวัดวันต่ออาชญา กลัวต่อความตายฉันใดแม้สัตว์เหล่าอื่นก็ย่อมหวัดหวั่นต่ออาชญากลัวต่อความตายฉันนั้นเหมือนกันไม่ควรประหารเองไม่ควรใช้ให้ฆ่าผู้อื่นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าสับเบตสันติตนดันทัสะสับเบพยันติมัจจุโน อัตตานังอุปมังกตาวานะหเนยยะนะขาตะเยติสัตว์ทั้งหมดย่อมหวัดวั่นต่ออชาชญาสัตว์ทั้งหมดย่อมกลัวต่อความตายบุคคลทำตนให้เป็นอุปมาแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้ฆ่าผู้อื่นแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่า สับเบตสันติความว่าสัตว์แม้ทั้งหมดเมื่ออาชญาจะตกที่ตนย่อมหวาดหวั่นต่ออาชญานั้นบทว่ามัจจุโนโได้แก่ย่อมกลัวแม้ต่อความตายแท้ก็พยัญชนะแห่งเทศนานี้ไม่มีเหลือส่วนเนื้อความยังมีเหลือเหมือนอย่างว่าเมื่อพระราชารับสั่งให้พวกราชบรุษ ตีกรองเที่ยวเป่าร้องว่าชนทั้งหมดจงประชุมกันชนทั้งหลายที่เหลือเว้นพระราชาและมหาหมาัดของพระราชาเสียย่อมประชุมกันฉันใดแม้เมื่อพระสัตดาตรัสว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมหวาดหวัน่นดังนี้สัตว์ทั้งหลายที่เหลือเว้นสัตว์วิเศษสี่จำพวกเหล่านี้คือช้างอาชาไนม้าอาชาไน โคอุสภะอาชานัยและพระขีณาศพบัณฑิตพึงทราบว่าย่อมหวาดหวั่นฉันนั้นเหมือนกันจริงอยู่บรรดาสัตว์วิเศษเหล่านี้พระขีณาศพไม่เห็นสัตว์ที่จะตายเพราะความที่ท่านลาสกายาทิฏฐิเสียได้แล้วจึงไม่กลัวสัตว์วิเศษสามพวกนอกนี้ไม่เห็นสัตว์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตน เพราะความที่สกายาธิฐิมีกำลังจึงไม่กลัวพระคาถาว่านะหเนยะนะัคาตะเยความว่าบุคคลรู้ว่าเราฉันใดแม้สัตว์เหล่าอื่นก็ฉันนั้นต้งนี้แล้วก็ไม่ควรฆ่าเองและไม่ควรใช้ให้ฆ่าสัตว์อื่นในการจบเทศนาชนเป็นอันมาก บรร ล, ลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นต่้งนี้แลเรื่องภิกษุฉัพพคีจบ